บุ๊กทูแปดสิบสามอดีตการสามโทร а т и ดิฉันโทรพท์แล้ว Я ย е л е ф о н у в а в ่ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Я ย е с ь час телефонував วถาม увати, ถาม тов, ถามถามถามถามถามถามถามถามถามถามถามถถามม Я запитував завжди. Лау. <ав. S 1> Розповідати. Ти ще เล่าแล้ว Я розповів. Ти ฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว Я розповів цілу історію. เรีย <і> น Вчитися. ดิฉันเรียนแล้วดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลยทำงานดิฉันทำงานแล้วดิฉันทำงานทั้งวันเลย ฉันทำงา в ทั้งวันรับประทานทานยิสต <Ї сти. S 2> ดิฉันทานแล้วยาซีดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้วยาซีฟอุสูยิจู